หรือคนที่มีการศึกษาก็อาจจะรู้สึกว่ามีถ้ารุ่นน้องหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเขาเถียงก็จะเกิดความขัดใจขึ้นมาเพราะลึกๆต้องการความเคารพจากเขาไอ้ตัวมานะนี่มันคือตัวที่สำคัญมากที่ไถถอนยากและมันเป็นความยึดติดในตัวตนอย่า บ, บหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายที่จะเอาชนะมันได้อย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นสัญญ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 อย่งคนที่ยิ่งใหญ่นะียิ่งใหญ่อย่างเนี่ยคิดเลอ่อเนี่ยนะพราะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแต่โดยพื้นฐานที่เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่สําเร็จสักอย่างเป็นศิลปินเป็นนายสิทธ์แล้วก็จับพัดจะบปูขึ้นมากลายเป็นผู้นําประเทศก็แสดงอํานาจบาดใหญ่เพื่อกลบปมด้อยว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่สําเร็จแล้วก็ความสําเร็จแต่อย่างก็ทําให้เขาโซช า, าเป็นคนเก่งคนมีความสามารถเป็น